เ, เมื่อวันที่1ื ส, 2, สนพฤศานพ2510ณวัดป่าบ้านตาดโดยพระอาจารย์มหาบัวยานะสัมป น, นูผลกระวนกระวายเ ป, เป็นจักล่าที่ถูกบืน่อแล้วอะไรผ่านหน้ามานันไปเป็นกัดเป็นฉีดไปทั้งนั้น เีลักษณะของเสือที่เช่นลักษณะของเสือที่ถูอปืนเป็นอ น, นั้นอะไรผ่านมาพอจะจะกัดจะฉีกคอยจะพีจาร้าปลายฟองอะไรใะไรรอบขอบเพราะความทุกข์มันบีบบังคับจิตใจ คุณบายวิธีต่างๆที่สัตว์แสดงออกในเวลาเจ็บปวดแสบล้อมากๆจนัันมันไม่ได้ออกเลยความคิดแต่ออกเพราะเรื่องของความทุกข์ผลักดันให้ทำทำให้สมใจหนึ่ ง, ง, งความเจ็บปวดสองดความเครียดแ้นว่าใครเป็นคนทำเรา สิ่งที่ฝังใจที่สุดก็คือรู้แล้วว่าสัตว์มนุษย์เป็นผู้ถั ง, งใจที่ได้รับความทุกข์เดือดร้อนภายในเราก็ย่อมเป็นเช่นนั้นคนที่มีความทุกข์มากย่อมไม่ค่อยจะมีโอกาสใครควรดูเหตุผลหลักทำดีชั่วนัมมัตพิจารณาและแก้ไขกดเครื่องตนไปตามเหตุการณ์ที่ควร แต่จะทำจะคิดจะพูดอะไรต้้งแสดงออกเพื่อให้เป็นความสมใจด้วยอำนาจขงังความทุกข์นั้นกบดันออกมาให้ทำเช่นนั้นให้พูดหรือให้คิดเช่นนั้นอีกเป็นลำดับหนึ่งลักษณะที่กล่าวมาทั้งนี้ไม่ใช่เป็นทางที่จะยังบุคคลให้มีความเจริญรุ่งเรืองไปได้ดี แต่จะเป็นทางหายานะเป็นลําดับกำหลับเป็นถึงความหายนะที่แก้ไขใน่ได้จริงที่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นคือเหตุผลเป็นสิ่งสาคัญการปกครองตนเองการปกครองผู้อื่นต้องหลักเหตุผลเป็นเครื่องปกครอง หากปราศจากเหตุผลแล้วแม้จะปกครองผู้นั้นเขาก็ไม่เข้ารจกกรองตเขาไปไม่อกครองตอนเข้าไปไม่รอด ป, ป, ป, ปกครอ้ปรดกครองตนเข้าไปไม่รอดปงตน้าไม่รกรามกครอเขามอปงเปมรปกนเาครอเห่อปงตนเปกครเป่รองนเาปกครองป่อคองตปกครตน้าปรรต้มคงต้องถืเอตเหปรตุผลาประจปจจงตเาอกงนเด เรื่องความอยากนั้นถือเป็นกระมไม่ได้แม่น้ำในมหาสมุทรยังมีเวลาขึ้นเวลาลดลงแต่ความอยากซึ่งถูกผลิดออกมาจากเหตุกาหันไม่มีเวลาลุกย่อลงเหมือนกันกับไฟได้เชือ้อไม่ยังไม่มีวันคืนปีเดือน กับกันอะไรไม่ไปได้ทั้งนั้นขอแต่มีเชื่อให้ใหม่ลักษณะของใจก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหลือนกันทำมีเครื่องถือต่อที่จะให้จิตไปด้วยความอยากและมีสิ่งกดดันออกมาจากภันในด้วยแล้วจิตจะทอบคิดโดยแม่คำหนึง่งว่าเป็นกลางวันกลางคืนหรือกาลังทํางานหร่ทําอะไรอยู่ มีทางที่จะคิดได้ตลอดเวลาหากความคิดประเภทที่รุนแรงฝังใจทำให้คิดออกมาแล้วแม่นอนหนับก็ยังต้องเกี่ยวข้องกับติ่งเหล่านั้นอีกบางทีติ่งกับละเมอเพ้อฝันไปต่างๆงานานาขนาดนั้นทีการมาทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่แสดงออกเพื่อความขายานะธรรมะจริงเป็นเหมือนกับทำนกัน้นน้ำที่เหล็กกันหาซึ่งไม่มีฝวันยุบยอบน้ให้ยุบยอบลงไปได้และเหือแห้งลงไปโดยไม่มีเหลือถ้าเป็นผู้สนใจนำมาปฏิบัติปิดกั้นตนเอง ตามหลักเหตุผลที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนไว้แง้จะมีความเจริญรุ่งเ ร, องเรืองสุดขิตสุดแดนก็ต้องมีความเจริญรุ่งเ ร, องเรืองตามฐานะของตนที่มีธรรมภายในใจจะให้เสียผลนั่นเป็นไม่เฉพาะอย่างยิ่งถึงเราเป็นนักบวช ด, ด้วยแล้วต้องดูกำลักเหตุผลทั้งนั้น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 จะสงวน เ, ยเฉยๆโดยไม่มีเหตุมีผลก็จะเป็นการเหยียบย่ำตนลงโดยไม่รู้สึกตัวตามธรรมนาของความสงวนตนนี้ไม่มีอยู่เพียงชาติมนุษย์ของเราแม้แต่สัตดว์เดรัจฉานทุกๆประเภทเขาก็มีการสงวนตนของเขาเหมือนกันคนโงค่คนะลาดคนมีคนจน มีการสังวนตนทั้งนั้นแต่อุบายวิธีที่จะให้ถูกต้องตามความสังวนตนนั้นเราจะปฏิบัติต่อตอนเองอย่างไรมีเป็นเรื่องหนึ่งปัญหาเพราะฉะนั้นคนเราที่ทำอะไรผิดพลาดลงไปทั้งๆที่ตนมุ่งหวังความสุขความเจริญและนำสิ่งนั้นๆเข้ามา เพื่อบำรุงตนซึ่งเป็นหลักใหญ่แห่งการแห่งความสงวนแต่ก็ทำให้พลาดลงไปดีนี่เพราะความไม่รอบอกในเหตุผลคือเห็นเกิดแต่เพียงได้ทาเดียวไม่ได้คิดถึงความเดือดร้อนเลยหารจะตามมาทีหลังลองคิดดูนั่ง ปลาที่กินเด็ดและตายด้วยเด็ดนั้นมีจานวนไม่น้อยคำว่าปลาไม่ใช่ว่าจ่ตายด้วยเด็ดเสียทุกตัวบางตัวอาศัยอาหารจากเด็ดเลี้ยงขี่ให้เป็นไปหน้นอย่างไมปลาประเภทนี้คือปลาที่ฉลาดไม่กินเด็ดแต่กินเฉพาะเหยื่อที่ติดอยู่กับเด็ดเท่านั้น แต่ตาตัวโง่นั้นจะกลืนไปหมดทั้งเหยื่อทั้งเด็ดเหยื่อที่ถูกตลืนเข้าไปแทนที่จะเป็นอาหารบำรุงร่างกายของกลากลับไม่ทราบเรื่องกันไปผลที่ปลากดรสชาติที่ไม่ถึงปรารถนาก็คือความเจ็บปวดแสบร้อนที่เกิดขึ้นจากเกาบ็ดเกาะปากนี่เพราะความไม่รับเข็เป็นอย่างนี้ เดื อ, อะไรไม่มีอะไรปรากฏว่ากลาเลยครับเป็นความสุขความเจริญแท่นี้นอกจากนี้แต่ความเจ็บปวดแสบร้อนเพราะถูกเบ็ดเกาะเท่านั้นมีอะไรเล่าเป็นปลาอะไรเล่าเป็นเดือสิ่งที่มาเกี่ยวข้องจะสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางนิ้นทางกายทางใจถ้าผู้มีสติปัญญาจะ เป็นโอชารถอันหนึ่งจากสิ่งที่มาสัมผัสไม่ติมนํามาพิจารณาเป็นอัดเป็นทำได้ทั้งนั้นแต่ถ้าไม่ใ้าเหตุผลอุบายเป็นเครื่องพิจารณาจอดให้ตามความอยากอยากเห็นอยากฟังอยากดื่มอยากสัมผัสถูกต้องอยากคิดอยากปรุงประดังๆเพียงเท่านั้นนั่นแหละ เป็นทางที่ร่อแหลมต่อเบ็ดทุกๆขณะทำมาเบ็ดก็คือความทุกข์เหยื่อก็คือเรื่องของสมุทยัยสมุทัยต้องชวนเสมอชวนให้คิดเพื่อเบ็ดคือคิดเพื่อเรื่องทุกข์เบ็ดนั่นหมายถึงเรื่องทุกข์ชวนให้พูดชวนให้สนใจในการเห็นการ ได้ยินการสัมผัสการคิดการปรุงการแต่งต่างๆนานาทั้งเป็นเรื่องอดีตทั้งเป็นเรื่องอานาคตเป็นเรื่องที่ชวนให้คิดให้ปรุงไปเรื่อยๆเพื่อเบ็ดคือเรื่องกองทุกข์มาเผาร่นติดต่ำนี่เป็นเรื่องของเหยื่อและเป็นเรื่องของเบ็ดทั้งนั้นที่ีถ้ามีปัญญาไขควน ดูในสิ่งที่จะควรเห็นควรฟังควรคิดควรดื่มควรถันหรือควรรับทาควรสัมผัสถูกต้องควรจะคิดมาเป็นอารมณ์ภายในใจโดยปัญญาเป็นผู้นำทางสิ่งต น, น, นี้ก็กลายเป็นโอชารคือสัตว์ธรรมคํามสอนงวามคุ้มเุ้มเป็นเครื่องหล่อนเยี่ยงจิตใจเป็นลําดักลำนัญญ mm. อยู่ในโลก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 ตัวของเราได้เราก็หนีจากโลกไม่ได้เพราะโลกคือขันท่าสี่ข้างนอกก็มีข้างในก็มีเว้นข้างนอกข้างในก็ยังติดตามเราได้ีเลีเ่ยงหนีจากข้างนอกข้างในก็ติดตามกันไปเพราะภาคขันของเราขันขันก็คือขันท่าท่าคือท่าสี่ของเราถ้าไม่เลีเ่ยงด้วยอุบายปัญญา เจริในสิ่งภายนอกที่อยากว่าโลกภายนอกเจริในสิ่งภายในคือโลกภายในธาตุขันธ์ภายในให้เห็นตามหลักความจริงโดยทางกัรเงดนอยู่ที่ไหนก็พอปฏิบัติต่อกันกับโลกอยู่กับโลกก็โลกก็ไม่ทำให้เดือดร้อนเพราะคนไม่เกี่ยวข้องรือตอนไม่หาเรื่องราวเอาเรื่องของโลกเข้ามาเผาใจา ผู้มีหลักธรรมะเป็นอย่างนี้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับสัมผัสแจะทางไหนข้อตางต้องให้มอบให้เรื่องของสติเครื่องของปัญญาเป็นผู้วิาพากษ์ผูการพินิจพิจารณากลั่นกรองดูเรียบร้อยแล้วค่อยหยิบไว้สำหรับเป็นประโยชน์แก่ตัวหรือเจ็บไว้สำหรับเป็นประโยชน์แก่ตัวต่อไป ถ้าเห็นว่าไม่ควรแงจะอยากแสนอยากก็รีบผลักดันออกไปด้วยอุบายของปัญญาคือหลักเจ็จผลทันทีไม่ฝืนไม่ฝืนดืม่มไม่ฝืนรับทานไม่ฝืนดูไม่ฝืนฟังไม่ฝืนสัมผัสไม่ฝืนคิดใส่นี่คือว่าผู้ปกครองตนเองแท้โดยธรรมะถ้านอกจากนี้แล้ว เป็นที่เสี่ยงไทยจะเรียนรู้มากน้อยไม่สำคัญเพราะคำว่าเรียนนั้นเรียนด้วยกันทุกคนทางตาเห็นก็เป็นอันรู้สึกเข้าถึงใจหูฟังก็เป็นอันทราบซึ่งถึงันอันใดมาสัมผัสทางใจ ท, ทุกส่วนจะต้องอย่างเข้าถึงใจเกิดความรู้ขึ้นมาชื่อว่าเป็นการศึกษาการเล่าเรียนด้วยกันทางนั้นแต่จะมี สติปัญญาไตรกรองเอาตามสิ่งที่มาสัมผัสรับรู้นั้นให้เกิดประโยชน์ด้วยความความพิหาอย่างไรหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนเพราะฉะนั้นผู้ศึกษามากน้อยทำตัวให้ล่มจมจริงมีจำนวนไม่น้อยดาดเดินในโลกเรานี้เพราะขัดธรรมะคือเครื่องดับยังข่างตัวหาดสติปัญญาเป็นเครื่องกันกรองให้เห็นควรไม่ควรก่อนแล้วค่อยผ่านไป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 ไม่มีแอ่งสนหับเก็บหลาเตลิดเปิดเปิงตามลำคลองไปหมดพอฝนขาดฟ้าน้ำก็ขาดลำคลองไม่มีเหลือถ้ามีที่เก็บไว้บ้างฝนตกก็ตกลงไปเมื่อฝนดุดน้ำก็ยังมีที่ถังนี่ก็โก้ได้เทีย่ยงดูให้ กระแสของความคิดที่มีความอยากเป็นเครื่องผลักดันออกมานจะมีแต่ไหลลงต่ำท่าเดียวเท่านั้นโดยไม่มีการยับยัง้งหรือหยุดได้แม้แต่ขณะถ้าไม่ใช้ปัญญาพิจารณากลกรองดูให้เห็นเหตุผลนะครับยับยัง้งตนว้าด้วยเหตุผลแม้จะอยากก็ไม่ยอมฝืน จนจิตมีความเคยชินต่อเหตุผลแล้วไปไหนก็มีหลักเหตุผลตึงเครื่องปกครองคนเสมอไม่ค่อยเสียหรือไม่เสียถ้าปล่อยเลยตามเลยแล้วจะเรียนรู้มากน้อยเท่าไหร่ไม่เป็นปัญหาทั้งนั้นเพราะความเสื่อมเสียนั้นไม่ขึ้นอยู่กับความรู้แต่ขึ้นอยู่กับากภาคปฏิบัติ ของผู้จะทําตนให้เจริญนั้นมีอุบายวิธีที่สมควรจะเหตุแจกผลที่จะให้เกิดประโยชน์แจกตนแล้วทําลงไปเท่านั้นนี่เป็นสิ่งที่รับรองความเจริญได้แต่เพียงความรู้จะเอามาอวดอ้างกันเฉยๆว่าเรามีความรู้เพียงเท่านี้นั้นไม่ได้เอาไปใช้นําไปใช้ประโยชน์ไม่เกิดผลอะไรเลยเหมือนอย่างเครื่องมือของเราจะมีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองก็ตาง ไม่นำประชาช้ประโยชน์มันก็เป็นเครื่องมืออยู่อย่างนั้นหาให้เกิดประโยชน์อะไรให้แต่เราไมา่ถ้านำประชาชนเราจะมีสองชิ้นสามชิ้นก็ตามเครื่องมือประชาชนให้สำเร็จประโยชน์ก็เกิดขึ้นมาตามฐานะของตนและเครื่องมือที่มีอยู่มากน้อยมีหลักธรรมะหมือนกันที่ดศึกษาเรียนมามากน้อยนําไปปฏิบัติก็ย่อมเกิดผลประโยชน์แก่ตนเช่นนั้นเหมือนกันเรียนมามากแต่ไม่ได้สนใจหรือไม่ได้สนใจจะทำมากเลยเดียนทางไหนก็ตามแต่เป็นผู้เรียนมากศึกษามากหากไม่ได้สนใจใน หลักการปกครองตอนเองอย่างนี้มีทางที่จะเสียได้เช่นเดียวกันผลประโยชน์ไม่ค่อยเกิดยิ่งเฉพาะจิตใจด้วยแล้วต้องอาศัยเหตุผลเป็นสิ่งสําคัญในการปฏิบัติต่อตอนเองไม่ต้องพูดถึงเรื่องสิ่งภายนอกอะไรมากพูดแต่เรื่องของใจที่แสดงออกเกี่ยวกับสิ่งภายนอกเป็นอย่างไรบ้างการฝึกทพัฒนาตนเอง ทำอย่างไรได้ผลแค่ไหนต้องสังเกตเสมอดจนี้ถ้าใดพยายามฝังเข้าสู่ภายในกายชะตาสติที่เรียกว่าองค์แห่งอริยสัจมีอยู่ที่นี่แล้วจะไม่เป็นอย่างอื่นขึ้นมาถึงทุกข์ก็ทุกข์เพื่อสุขทุกข์ก็ทุกข์ในเวลาทํางานแต่ผลคือความสุขความสงบสุขของใจจะต้องแสดงตัวออกมาฮาใจของเราได้อย่างเข้าสู่กายชะตาซึ่งเป็นรากฐานปัจจุบันอันเป็นที่ตั้งแห่งปติปัญญาด้วยดี จะไม่แสดงผลอย่างอื่นขึ้นมาคือความทุกข์ร้อนต่างๆที่จะเพิ่มพูนกิเลสขึ้นมาที่ใจไม่มีส่วนความทุกข์ในทางร่างกายนั้นมีบ้างเป็นธรรมดาแต่จะสั่งสมกิเลสขึ้นมาภายในใจนั้นจะเป็นไรไม่ได้ขอให้พิจารณาตามให้ถูกตามหลักคำขององค์ชาในองค์ของกายธักรตทาเถิดไม่มีอะไรเสี่ยงนี่เคยแสดงให้ฟังหลายครั้งแล้วกายลักระาสติพิจารณายัางไง เป็นการรักาําหนดให้รู้สึกอยู่ภายในร่างกายของตัวเองนี้ก็จัดว่าเป็นเป็นขั้นหนึ่งแลวความแยกคลายที่จะขายายออกไปในวงกว้างวงแคบตามแต่สถิตปัญญาของตนนั้นเป็นการกระกาเป็นขั้นชั้นเข้าไปการระกษาจะสิ้นสุดได้ในเมื่อจิตได้ผ่านการระกษา ล, ลงไปโดยไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในกายนี้เนื่องจาก ความพอของสติปัญญาข้ามหมูนแล้วแล้วปล่อยวางรู้เท่าคุณเองอ่ะเนากายและคตาจะจะหมดปัญหาในระยะนี้ระยะหนึ่งจากการบําเพ็ญนอกจากจะเป็นยิหารธรรมในวาระสุดท้ายเท่านั้นส่วนเป็นยิหารธรรมในวาระสุดท้ายนั้นจะแยกกันไม่ออก นับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงพระองค์สุดท้ายที่ได้ทำมาปัจจุบันคือการมบำเพ็ญเพื่อความอยู่สะดวกสบายในระหว่างขันธ์กระติกนั้นพระพุทธเจ้ารัากษาลงจะลดละเรื่องกายกาชะตาสตินี้ไม่ได้เหมือกั น, กนแต่พิจารณาเพื่อเป็นนิหาธรรมเท่านั้นไม่มีความมุ่งหมายที่จะพิจารณาถอดถอนพิเรตอุปทานาาาที่ยึดมั่นถือมั่นในธาตุสี่คือกองกายกาชะตานี้แต่อย่างไรนั่นเป็นความจําเป็น ขั้นหนึ่งต่างหากจากขั้นของการหมักคือเป็นความจําเป็นสําหรับเป็นยิหาธรรมของพระเจ้าชั้นยิสุทธิที่บุคคลเป็นความจําเป็นประเภทนั้นแต่เป็นความความจําเป็นของพวกเราท่านท่านทั้งหลายซึ่งมีอุปทานเต็มจิตเต็มใจเกี่ยวกับการเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องพิจารณาเพื่อถอดถอนอุปทานเนื่องจากความหงุดหงิดในส่วนหน้ากายถูกส่วนแล้วถอนกัวไปได้มีเป็นความจำเป็นทัน ทำไมจะไม่รู้ถ้าจิตได้อย่างเข้าสู่ที่ที่นี่ด้วยความรู้สึกตัวอยู่เสมอทําไมจะไม่รู้มีผมแปลกใจมากมครับท่านนักปฏิบัติถ้าจิตอย่างเข้าสู่ที่แล้วไม่ปรากฏผลผมว่ายัางเข้าที่เนื้อคลุกออกไปที่อื่นมีขณะเดยื่อเท่านั้นที่ฝังลงที่กายพอจะเป็นกายขตตาติาาาดได้ในขณะต่อไปนั้นรู้สึกว่าจะตะเลิดเปิดเพิงไป ร่วมเข้ากองสมุทรไทยจทั้งจิตจึงได้สั่งสมแต่ทุกข์ขึ้นมาให้เราแล้วก็มาหามาภาวนากายกตาสติผลไม่เห็นปรากฏเลยนะส่วนไปเป็นผู้สั่งสมสมุทรไทยในขณะที่ภาวนากายกตาสติโดยเจ้าตัวไม่รู้นั้นมีจํานวนมากเท่าไหร่นั้นไม่รู้สินี่แหละผลจริงไม่ปรากฏในทางที่ตนปรารถนาแต่ไปปรากฏตรงกันข้ามคือสิ่งที่มันปรารถนา เ่องจากจิตมันเล็ดรอดออกไปอย่างนั้นแหล ะ, ะการทรมานจิตใจเอาหนักเท่าไรก็ให้ให้รู้จะตายใหเขาได้ประกาศทางวิทยุหนังสือพิมพ์ก็ให้รู้ว่าผู้ฝึกทรมานจิตใจเนีจนตายยังไม่เคยเห็นหลักความจริงก็มีอยู่ที่นี่จริงๆไม่อยู่ที่จืิงที่จมปรอมมันมีจํานวนมากเท่าไรแล้วเราก็ชอบ ถ้างผลที่เป็นเครื่องตอบแทนเราความชอบมันยังคลิกเป็นตัวเรื่องความทุกข์ขึ้นพราะชอบในทางที่ถูกแล้วในทางที่ไม่ถูกความทุกข์เป็นสิ่งที่เราถึงปรารนาก็ต้องแสดาตัวขึ้นมาคพราเห็นเป็นทางที่ไม่ถูกแล้วผลจะเป็นทางที่ถูกชอบใจเป็นที่ถึงใจได้นักปฏิบัติต้องเป็นผู้กล้าหาน อย่านำเมื่ออดีตคือได้บําเพ็ญมาแล้วทั้งกับวนันนี้มีความลําบากลาบนวันนี้พิจนารณาอยู่วันนี้กําหนวดวันนี้กว่าจะลําบากลาบนถ้าอย่างนี้เป็นอุปสรรคต่อตอนเองบำเพ็ญมาเท่าไรก็ผ่านมาแล้วหรือทําความขั่วเจียหายนีม่มีความโงกเขลาบิปัญญามาเท่าไหรไม่ต้องไปทำหนึ่งในขณะที่ทําให้เห็นทุกข์ในปัจจุบันที่แสดงตัวขึ้นมาอย่าไปลู้เรื่องทุกข์ที่ในอดีตขึ้นมาเพิ่มพูน ความทุกขในปัจจุบันจะกลายเป็นเรื่องสมมุติไทยแล้วกล้าความเพี้ยนไปไหล่ะกล้าถอนความเพีย้ยนความเพี้ยนทันทีกลาเป็นคุณพ่อแท้อ่อนเองคอยหลังไปไม่ล่ะหลักปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญหน้าที่มีอันเดียวที่จะที่จะนาจิตให้รู้เรื่องกระแสของกิตแสดงตัวออกไป ด้วยสติกับปัญญาเท่านั้นเป็นเครื่องกำกับให้รู้ทำไมจะไม่รู้นี่ก็จฝึกมาเต็นกำลังของตัวเองเวลามันพยศก็ไม่มีอะไรจะเทียบเวลาสงบสบาย ด, ด้วยอุบายต่างๆของเราที่เข้มแข็งอ่านทานกันอยู่มันก็รู้สึกว่าเป็นของอัศจรรย์ยิ่งเหมือนกันในบางการบางเวลานี่หมาถึงขั้น เริ่มแรกเป็นอย่างนั้นต้องลงกันอย่างหนักบ้างไม่อย่างนั้นไม่พอมันขนองมากเราต้องฝึกประมา ก, กันให้หนักเหมือนยังตัดตัวขนองทําค่อยๆเบาๆมือมันไม่ได้เดยอถ้าเป็นพายที่ไปดูว่าก็ทนตัวเองผิดตัวเองให้ตายแต่ของต้องตายเอาให้หนักมือ มีจิตที่มันกําลังแสดงตัวในลักษณะของสัตว์ตัวขนองเช้นนั้นก็ต้องทําให้หนักมือบางคับให้อยู่ในกรอบของธรรมะไม่มีอะไรเสียหายการบังคับตนเองจะเป็นทุกข์ก็ทุกข์เพื่อสุขมาจะทุกข์เพื่อเพิ่มทุกข์ขึ้นไปนในทางใจทุกข์ทางกาจริงแต่เพิ่มความสุขขึ้นในทางใจความทุกข์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันขณะที่เราทําความเขียนนี้ กับความทุกที่ผ่านมาแล้วกี่มากน้อยแล้วจะเป็นความทุกข์ต่อไปอีกข้างหน้ามีเท่าไหร่อะไรจะมากกว่ากันอดีตผ่านมาแล้วเท่าไร่และเราคติเป็นไปข้างหน้านั้นเท่าไหร่กับปัจจุบันคือการประกอบความเพียรเป็นทุกข์อยู่น้ำหรือหน้าบัตรมีจำนวนมากเท่าไรเรามาชั่งกันดูไหนจะระเหได้รอนหาทิฏฐิที่หลกักปักจิตปัดใจให้ตัวลงไม่ได้มีอย่างหรือหน้าปฏิบัติ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 เท่นี้ก็ไมาได้แล้วไหนเราจะไปสามารถทนความทุกข์ความทมานในอนาคตซึ่งจะมีมาไม่รู้กี่ขับถี่กันในตัวของเราคนเดียวซึ่งจะเป็นผู้แบกทุกข์อยู่ตลอดเวลาส่วนเป็นอดีตผ่านมาแล้วก็ทราบว่ามาแล้วความทุกข์ในระยะ น, นี้กับความทุกข์ที่เป็นข้างหน้านานเท่าไร่มากเท่าไรทําไมเราจะอดฐ า, านต่อสู้อทนต่อสู้ด้วยไม่มีเหตุมีผลอะไรเลยมีอย่างเลย ทั้งๆที่เราก็ทรงธรรมะของพระพุทธเจ้าอันเป็นหลักเหตุผลล้วนๆอยู่ในตัวของเราทําไมเราจะเป็นผู้ถอยหลังต่อการกระพื่อปฏิบัติกําจัดสิ่งที่จะให้เกิดความทุกข์ขึ้นภานในจิตใจและความทุกข์ที่มีอยู่แล้วให้หมดไปเราจะทนไม่ได้การเคารพค่าึกถ้าไม่ตายฮะขอให้ได้ชัยช น, นะนี่เป็นหลักของนักรบในสงครามเป็นอย่างนั้น มีสงครามระหว่างเยเลตกับปิตก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันเรื่องสงครามภ า, ายหนเอาไม่ตายให้ชนะชนะแล้วจะไม่ต้องกลับมาเกิดแบบกองทุกอีกต่อไปท่านกล่าวไว้ว่าการชนะตนนั่นแหละเป็นประเสริฐสุดเราเคยชนะตนไหมเราถ้าเราเราอยากเป็นผู้ประเสริฐสุดเราเคยทําความเพียรเพื่อชนะตนได้สักกี่ประโยช แต่เคยแพ้ตนมากี่ครั้งจริงๆแล้วควรจะนํามาทดสอบกันดูถ้าเราเป็นนักท่องจริงๆเพื่อบังความสุขความเดินและความปราิฏจริงภายในกรอบของธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงๆควรคิดให้ดีเราจะเอาความโง่เขลา ว, ว่าปัญญาความขี้เกียดที่ก้านความหมดแอร์เข้ามาเป็นเจ้าเรือนบังคับทำอันดีของเราหายไปหมดยังปรากฏอยู่ตั้งแต่ความท้อแท้ออแอร์ความเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่หลับแก่นอนดูภายในใจ เห็นแยงเข้าไปก็ไม่มีที่ที่จะแยงมันเต็มไปด้วยที่เลสประเภทเหล่านี้ทั้งนั้นธรรมะจะหยอดลงที่ไหนเมืม่อมีแต่ถึงเหล่านี้ปิดกั้นทั้งหมดแล้วถ้าเป็นหม้อกับความฝ่าลงเอาก้นขึ้นเอาน้ําหมหาส ม, มุทรมาเทมันก็ไหลทิ้งไปหมดไม่มีอะไรจะค้างอยู่ในหม้อลูกที่ขูกข้ามไว้นั้นจะทำลายถ้ามันความจากหลักธรรมะแล้วก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน โมฆะบุคคลก็คือคนประเภทนี้โมฆะในตัวของเราก็คือเราซึ่งทําตัวให้เป็นประเภทที่กล่าวนี้เราต้องเอามาคิดอย่างนี้นการฝึกสาวรมหรือการฝึกทรมานตนต้องหาบาวิธีต่างๆฝึกตนการดุดาว่ากล่าวการฝึกตนจะหนักจะเบาบ้างไม่มีอะไรเสียหายไม่มีมีการกระทบกระเทือนถึงใจให้เกิดความเครียดแค้นไม่เหมือนบุคคลอื่นที่มาฝึกทรมานหรือดุดาว่าสาวเามันผิดกันทั้งโลกทีเดียวกายแสนกายขนาดนั้น ครูปฏิบัติต้องหาเหตดผลหาความถนะมาแก้ความโง่ของตนอย่าเอาความโง่เข้าไปแก้ความโง่เนี่ยมันจะเป็นการหนึ่งกับหนึ่งเป็นสองขึ้นมาความโง่ดังเดิมก็มีอยู่แล้วความความโง่อันดับต่อไปก็เพิ่มขึนอีกเป็นสองเป็นสามสร้างสมตั้งแต่ความโง่ความเข้าบาปัญญาความขี้เกียจที่ข่านมันยังข้ามคืนยังลงมันเต็มไปด้วยความโง่เท่านั้นตัวของหล่าทั้งตัวหาธรรมะที่ไหนจะสองแสนสลับออกนิดนึงมันก็เมืนเมื่อไปนั้นความวิเกีจจะมีอยู่ที่ไหน แม้ปรากฏว่าความวมิเกศษวิโสอะไรจะเกิดขึ้นจากลักษณะที่กล่าวเหล่านี้ลักษณะความวิเศษจิตขั้นที่มีฝังอยู่ในหัวใจของบุคคลนะถ้ากัะนพิจารณาให้ดี ถ, ถึงค้าจะเป็นจะตายขึ้นมาจริงๆมันจะทนไม่ไหวเรื่องความเพียรนี้หนะักเต็มที่ทรมานตนเกินไปให้แล้วถึงพระพุทธเจ้าอย่รแล้วถึงที่อื่นผู้อื่น พระพุทธเจ้าเคยเจริญเลิมฉลายมาแล้วสีครั้งจิตในตรัตสลูแอบตรัตสลูเพราะนอนอยู่อย่างสปปะดวกสบายในหอปราสาทนะแต่ตรัตสลูเพราะความลําบากลาบนที่สุดไม่มีใครจะสู้กับพระพุทธเจ้าสามาแข่งขันกันแล้วทั่วทั้งโลกจะ ม, มีใครเป็นที่หนึ่งนอกจากพระพุทธเจ้าพราะองค์เนียนัน่นทําเกิดขึ้นมาด้วยความลําบากลําบนไม่ได้เกิดขึ้นมาเรื่อการป่อนแอบทอดแผล นะักปฏิบัติตามหลักธรรมของลูกจ่าที่เรียกภาษีรธรรมพทธต้องเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรองอาจกล้าหารต่อหลักธรรมที่ชอบกล้าทั้งการบำเพ็ญที่จะทําตนให้ยิ่งขึ้นไปกล้าทั้งการเฉลดกรดแอกจากกิ่เลวทั้งหลายเป็นชั้นชันอดหรืออิม่มไม่ถือเป็นปัญหาสําคัญสำคัญที่ประโยคน์แห่งความเพียรพยายามของเราวันหนึ่งวันหนึ่งที่ผ่านไปผ่านไปได้ความเพียรมากเท่าไหร่จิตใจของเราเป็นไนงะ ต้องสนใจในที่จุดนี้กิเลสตัญหาอาสวะทั้งหลายเกิดอยู่ที่ใจดวงเดียวนี้อยากเข้าใจว่าไปเกิดที่อื่นการแบกกองทุกจะไม่มีผู้อื่นใดเป็นผู้แบกไม่มีสถานที่ใดเป็นสถานที่แบกนอกจากจะแบกที่จิตเพราะจิบเป็นตัวตัมุ่งไทยผู้สังสมกิเลสขึ้นมากองโค้กองชาติจึงมีอยู่ในที่นี้การแก้ม่แจ้ตงที่นี้จะแก้ที่ไหนความมันแอลเอาไปแก้กิเลสตัวไหนขาดหลุดลงไปไม่เคยมีนอกจากความพยันหมั่นเพียรความง้อไปแก้กิเลสก็ไม่หลุด ถ้าไม่เอาความฉนาดมาพ่อเข้าไปแก้ ine, เราต้องคิดให้ดีเ ร, รนนดเราบวนมาเพื่อโง่หรือเพื่อความถนาดเราบวชมาเพื่อความมันแอนหรือความขายันหมั่นเพียรถ้าเราก็ทําตัวงเราให้เป็นแบบเป็นฉบับไม่ได้เราจะสอนโลกให้มีแบบฉบับได้อย่างไงเราเป็นคนไม่ดีจะสอนโลกให้เป็นคนดีไม่ได้เราเป็นคนโง่จะสอนคนโลกให้เป็นคนฉลาดไม่ได้เหมือนกันเราต้องเทียบดูตัวขงเราให้กอนอื่นเราต้องทำตัวของเราให้ดีอันมีความเฉลี่ยฉลาดนอกพ่อภายในตัว สิ่งใดที่เป็นลักษณะของความโง่แก้ลงด้วยปัญญาอัญญามีอยู่ทุกแห่งทุกผนมีอยู่ทุกขณะในในเมื่อเรานำมาใชา้ไม่นอกเหนือไปจากแก่ตรงนี้ถ้าจะปล่อยให้นอนหมูอยู่นอนอยู่เหมือนหมูจะรอขึ้นเสียงนี่มันก็ได้หาความสามาดมัม่มีวันมันคำ่ำจะตระดอดวันตายตายพิ้งเบา แต่แสดงอุบายวิธีที่จะสุดทนละมานตนให้ทุกทุกท่านที่ได้ยินในฝั่งแล้วนําไปพิาจารณาแก้ไขดัดแปลงนี้อุดทนละมานตนได้รับประโยชน์ขึ้นมาเท่าที่ควรแก่อุบายวิธีที่ตนทําได้แค่ไหนพยายามสั่งสมพยายามค้นคิดให้เป็นไปทุกวันทุกวันสิ่งเล็กน้อยที่ผสมกันเข้าโดยลําดับลาดานนั่นแหลจะกลายเป็นของใหญ่โตขึ้นมาถ้าปัญญามี น, น้อยก็จะมาก ปัญญาที่ยังอ่อนก็จะกลายเป็นปัญญาแข็งขึ้นมาคติที่อ่อนก็จะเป็นคติที่คล้าขึา้นมากิเลสตัณหากูักลัวคนที่มีความขายันหมั่นเพียรกลัวคือคนใช้ความคิดของอ่านแต่ไม่กลัวสําหรับหมูที่จะรอขึ้นเสียงผู้ใดป ฏ, ฏิบัติตนลักษณะในลักษณะของหมูตัวขึ้นเสียงแล้วกิเลสนอน ทับศีสะอยู่วันยังคำ่ำนอนทับคออยู่วันยังคำ่ำเพืนยังลุกไม่ยอมให้ตื่นใดเลยลูกอย่างนั้นก็ขึ้นเสียงเท่านั้นว่าเราจะต้องการเป็นขึ้นเราจะต้องการขึ้นเสียงหรือขึ้นที่ไหนขึ้นเสียงหรือขึ้นธรรมถ้าขึ้นขึ้นธรรมก็กล้าตามบรรณัที่พุทธเจ้าสอนว้ามรโขนมีแปดธรรมะที่ถีคิดให้ดีทุกจริงทุกอย่าง ก่อจะทําจะพูดอะไร่านเข้ามาคิดให้ดีสมมาสังกปุกสมมาพิจีสมาถถสมาสังกปุกดัมฤทิ์ให้ถูกต้องวาจาที่เป็นเสนียดกําเลงอย่านาํามาใช้การกระทําของพระเป็นการกระทําที่มสมาเสมอในกรอบอหลักธรรมนี้ทําะทำอย่าให้นอกเหนือจากนี้การเลี้ยงชีพก็เหมือนกัน ยังคิดกี่บริสุทธิ์ได้มาด้ว ย, มมยความบริสุทธิ์ไม่จกมันักมากขโมยใครให้มาด้วยความรู้ใจผู้ใจรักเนี่ยเพียนก็เพียนให้ชอบเพียนในทาํามผิดประการทาารารรํานกล่าวไว้แล้วในกฏิยาท่านก็บรรดาท่านที่อุทิานเะล่เเงินมาคงจะเข้าใจทางความเพียนสี่อย่าง สมาธิสร้างลงที่กายมาสมาธิจะปรากฏขึ้นมาในจิตมีหลทางทางของผูยเจ้าเป็นอย่างนี้ทางของหมูขึ้นเสียงตรงกันข้ามให้รรทราทันที คำว ห, หมูขึ้นเฉียงคืออยู่เฉยๆใจไม่ไคิดไม่อ่านไม่ใจไม่จ้องอะไรเลยนั่นแหละท่านเราหมูขึ้นเฉียงวันหนึ่งวันหนึ่งปัญญาัะแยบออกมาพอเป็นเครื่องสะดุดใจตนทุกอย่างไม่มีเพราะไม่สนใจจะคิดนี่เรียกว่าลักษณะของหมูขึ้นเฉียงไม่ได้หมายถึงผู้ปฏิบัติการเป็นหมูแล้วจริงๆแล้วขึ้นเฉียงเ้าย่ำลงไปอย่างนั้นนี่เป็นข้อเท็จจียงต่างหากขอให้นำไปที่ทาาี่เรีเพื่อแก้แค่ขาดเดินเรียนสภาพอังกิตที่ เคยเป็นหมูตัวโง่ๆตัวไม่คิดไม่อ่านอะไรเลยนั่นให้กลายเป็นผู้ฉลาดขึ้นะผสมก็ว่าทรงธรรมะของพระเจ้าในหลักแหงธรรมที่กล่าวไวส้สมมาที่ดีสัมมาทังโปงจนถึงสมาธิจะไม่มีผู้ใดเป็นผู้เป็นเจ้าของสมบัติที่เก่งนอกจากผู้ปฏิบัติเท่านั้นท่านขอให้ทุกท่านนำมันไ ป, ป, ปคิดไปปฏิบัติการเกลียดเกลียดตายอย่าไปสงสัย ไม่มีผู้อื่นใดที่เกิดอสียเกิดตายแทนเรานอกจากหลวงเราเป็นผู้เกิดเยเกจะตายมาตลอดกับสลหรับการจนกระทั่งถึงหมัดนี้ไม่มีผู้อื่นผู้ใดที่ทํางานแทนเขาได้คือเรื่องเกิดเสียเกิดตายขอให้ทราบไว้ทันทีแล้วฝังลงให้ลึกถึงใจและครั้งหน้าที่จะเป็นไปโดยลาดับหมัดนั้นก็คือเราผู้นี้เท่านั้นไม่มีผู้จะทําแทนได้อีกเช่นเดียวกันไหนเราจะเป็นผู้ ม, ม, ม, มีความขยันเกิดขยันตายขยันแบกขามทุกมีความกล้าหาญต่อสิ่งนี้ไม่ใช่ทางเลย นอกจจขยันเรื่องกองเพลิงใหญ่ทั้ง3ามสี่กองออกจากจิตใจให้บริสุทธิ์เท่านั้นเรื่องความเกิดความตายนั้นแต่หมดปัญหาไปทันทีขณาจิต์ที่บริสุทธิ์หมดเชื่อแล้วผมขอหยุดจิต ท, ทางเพศสำอางเพียงตน น, นี้เองันเ น, <c oughs> นี่ยนี่วันโดนบุกทีทีเด้อ